Book 2 4สี่สิบสองตการเที่ยวเมืองประหารกามิ s t a ตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมครับเย t ทร์ชอทวอเรนีก d ช n ูเนเดี งานแสดงสินค้าเปิดทุกวันจันทร์ใช่ไหมครับ je vel t r ะออทวอ e n เ každý p o n ป e นเดนิทรรศการเปิดทุกวันอังคารใช่ไหมครับเยวิสต a าว่าออทวอร์เนาคัชดีอุรสวนสัตว์เปิดทุกวันพุธใช่ไหมครับ jezo otvorené k a ž d ั s t ู e d u พิพิธภัณฑ์เปิดทุกวันเพร่รหัสสัปปดีใช่ไหมครับเยมู u ซียมอัต a เรนาสิสเหอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับยกาเขขกลเียตสกสา ม, มารถถ่ายรูปได้ไหมครับ ต, รต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับ มุสีจะจ่ a ยค่าเข้าชมไหมค่าผ่านประตูราคาเท่าไหร่ครับคุณคิดว่าค่าเมีส่วนลดสาหรับหมู่คณะไหมครับคุณคิดว่ p ค e าเข้าชมมีส่วนลดสาหรับเด็กไหมครับ มีส่วนลดสำหรับนักศึกษาไหมครับ p o k s, á á <S, s y í, k y t u j e t ี z ร์สเลาฟูเพรสตูเดนนั่นตึกอะไรครับช o ยเอโตซาบูโดตึกนั้นสร้างมากี่ปีแล้วครับ a าก a ส a าราย t า b u d o ว a ใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับ kto p o s t a ว i ล t ู b u d o วู ผมสนใจในสถาปตัตยกรรม z a i m a s a o r e r ผมสนใจในศิลปรกรรม z a i m a s a o u m e n e ผมสนใจในจิตกรรม z a i m a s a o r s t v o